ในขณะที่เอาเวลาเลือกเส้นทางที่อาจพาให้ตนเองลงสู่ปรกโณแห่งความทุกข์มืดมนและเจ็บช้ำจองเลิกกลับมีโอกาสได้รับคําแนะนําที่จะเปิดโอกาสให้เขาเลือกเส้นทางใหม่หลังจากสร้างความผิดพลาดก่อกรรมให้ตนเองด้วยความไม่รู้มาแล้วและคนที่จะพาให้จองเลิกไปพบกับผู้แนะนําเส้นทางใหม่นั้นก็คือนัชเลเด็กสาวผู้มีจิตใจงดงาม หวัดดีมาตรงเวลาจังเลยนะเออหวัดดีวันนี้สายน่ารักจังแน่แกล้งทาเป็นชมหน้าตาดูงงงงไม่ได้บอกอย่างที่พูดเลยเออก็กกรอกำลังตะลึงกับความสวยของซายอยู่ไง <c oughs> มิตั้งม่ยอนะยังไงวันนี้สายก็ต้องพาเลิกไปหาพ่อหมออยู่ดีแหละเออจริงสิ แล้วพี่สาวทรายล่ะเห็นบอกจะไปด้วยนี่เมื่อเช้าไม่สบายกับทันหันนะ่ะ อ, อ้าวแล้วพ่อแม่ทรายอนุญาตให้บินเดี่ยวเหรอไม่รู้สิคงไม่ถือว่าบินเดี่ยวมั้งมีเลิกเป็นบอดี้การ์ดนี่อืมน่าภูมิใจจังไม่ต้องสอบก็เป็นบอดี้การ์ดกับเขาได้แล้วหน้าบอดี้การ์ดไปโดนอะไรมาเจอนักเลงดักชคเหรอ เ อ, อไม่ต้องมาเบี่ยงหน้าหลบหรอกไม่เห็นหน้าอายเลยแค่แซวเล่นเฉยเฉยเอ๊ะดูว่าเรื่องโดนใครทำร้ายมาจริงๆเออก็กับนักเลงที่เราเคยมีเรื่องจนต้องวิ่งหนีเข้าบ้านซ้ายนะ่ะบังเอิญเจอกันจนได้อ้าวเหรอขอโทษทีนะ้ายไม่หน้าแซวเลยยังเจ็บอยู่ไหมไม่ลอกเราโดมมาเป็นอาทิตย์แล้วหายเจ็บตั้งนานแล้ว งั้นไปกันเถอะนัดกับพ่อหมอคนนี้ต้องตรงเวลาไม่งั้นถูกตัดสิทธิ์เพราะคนรอคิวตามเวลากันเยอะเหรอเออชักตื่นเต้นแล้วสิสงสัยจะแม่นมากแม่นจนเธอจะขนลุกเชียวละ่ะหูฟังสายพูดแค่นี้ขนก็ลุกแล้วละ่ะรีบไปกันเถอะในที่สุดทั้งจองเริกและนัชเลก็ได้มาถึงบ้านของหมออุปการะ สวัสดีค่ะพ่อหมออ้าวสวัสดีหนูทรายสบายดีเหรอสบายดีค่ะพี่สาวของหนูก็เพิ่งจะมาหาผมไม่นานนี้เองนะค่ะอ๋อวันนี้พาเพื่อนมาด้วยเหรอค่ะชื่อจองเดิกอ๋อเริกคุยกับพ่อหมอก่อนเลยนะเดี๋ยวทรายจะออกไปนั่งเล่นข้างนอกก่อนแบ่งเวลากันคนละครึ่งชั่วโมงได้มามามามาทรายคงเห็นว่าเราไปทุระร้อนกว่า เลยให้เราคุยก่อนแล้วก็กลัวเสียมารยาทเลยจะรู้ออกไปข้างนอกไม่ฟังปัญหาของเราผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าหนุซาจะพาเพื่อนคนนี้มาบอกตามตรงนะว่าเป็นลูกค้ารายพิเศษที่น่าสนใจรอคนหนึ่งเลยทีเดียวแล้วมีอะไรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหนูด้วยหรือเปล่าคะ น้องยินยอมจะให้ผมตอบคาถามของหนูสายไหมล่ะเออเอาละสิเจอของจริงเขาแล้วล่ะเราแววตาของพ่อหมอคนนี้บอกชัดเลยว่ารู้จริงเห็นแล้วหนาววาบถึงตะตุ่มเลยชื่อเสียงของแกไม่ใช่เรื่องโกหกแน่ๆนถ้าแกรู้เรื่องของเราจริงและรอยอมให้เปิดโปงต่อหน้าสายอะไรจะเกิดขึ้นล่ะ ไซไม่อยากรู้ความลับของเลิกหรอถึงแม้ว่าความลับนั้นจะต้องทำให้ไซเดือดเนื้อร้อนใจภายหลังก็ตามเราสัญญาว่าจะไม่ทำอะไรให้ไซต้องเดือดร้อนอีกอ๋อเรื่องรูปบนเว็บติดลมนะ่ะเรากล้งทำเป็นพระเอกมาช่วยแต่ที่จริงเป็นฝีมือเลิกเองทั้งหมดใช่ไหมรู้กันกับยายจุ๊บแจงเลยสิไม่ใช่หรอมีเกี่ยวกับเว็บติดลม แต่เกี่ยวกับเรื่องคอมที่ทำให้ซายต้องมาหาพ่อหมอคนนี้ในคราวแรกนะใช่เป็นฝีมือเราเองฮะโอ๊ยเรื่องนี่เธอเฮ้ยายเราขอโทษสาบานได้ว่าถ้าก่อนหน้านี้รู้ว่าซายจะเป็นหนึ่งในคนที่หลงเอาไว ร, ารัสโทจรมาเข้าเครื่องเราจะไม่ทำอย่างนั้นเลย บอกไปแล้วเราบอกความผิงของตัวเองไปแล้วแล้วสายจะเกลดขี้หน้าเราไปตลอดไหมเนี่ยนี่เลิกไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดาธรรมดาแล้วนะก็ เ, เป็นถึงไวรัสระดับโลกเชียวเราจะทำยังไงดีนี่ถ้าไม่มีพ่อหมออยู่ด้วยเราต้องรีดเค้นถามให้ได้ว่าเขาเคยก่ออาชญากรรมร้ายๆอะไรอีกไหมเอาเถอหนูสาย น้องเขากำลังเสวยผลที่เขาทำไปอยู่แล้วละและหนูเองก็มีส่วนช่วยให้เขากลายเป็นคนรู้ผิดรู้ชอบมากขึ้นด้วยอันที่จริงน่ะควรจะดีใจนะด้วยศักยภาพของเขาเนะ่ขอเพียงเปลี่ยนจากความหลงผิดคึกขนองแบบวัยรุ่นร้อนวิชาไปคิดสร้างสารรค์เรื่องดีมีประโยชน์วันหนึ่ง เขาอาจจะทําข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกในทางที่เป็นตรงกันข้ามกับข่าวเก่าก็ได้ผมผมอยากรู้ว่าถ้ากฎแห่งการสนองกรรมมีจริงอย่างในตำราว่าไว้ผมควรจะทํำยังไงถึงจะหลุดจากเรื่องซวยๆทั้งหลายที่ประดังกันเข้ามาแบบเนี้แล้วน้องคิดว่าตัวเองกําลังติดกรรมอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอ พ่อหมอก็ทราบอยู่แล้วนี่ครับผมแกล้งคนไปครึ่งโลกตอนนี้เหมือนผมโดนแกล้งจากทุกคนและทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวแม้แต่ล่าสุดนี้ผมเพิ่งเดินทางไปต่างประเทศกับแม่ก็ซวยซ้ําซวยซ้อนในจะกระเป๋าเดินทางหายที่สนามบินในจะอาหารเป็นพิษการเดินทางไปสวิตครั้งนี้มันมีแต่เรื่องซวยโคตรแต่ก็ยังดีนะที่ทําธุระสาคัญสําเร็จ ไอ้บาปกรรมที่น้องทำเนี่ยมันยุบยับไปหมดไม่ใช่แค่เรื่องแกล้งขนลรอกครับผมเพิ่งทำร้ายคนมาแต่ผมก็ชดใช้แล้วเจ้านี่มาทวงด้วยตัวเองถึงบ้านทีเดียวดูสิครับแผลยังหายไม่สนิทเลยอืมนั่นมันก็เรื่องหนึ่งแต่น้องทำเรื่องใหญ่ไว้อีกเรื่องหนึ่งน้องรู้ดีเรื่องใหญ่ เรายังทำความผิดยาญ่ไว้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรกันอะหรือว่าเรื่องนั้นผมจะไม่พูดออกมาหรอกนะผมอยากทำหน้าที่ช่วยน้องแก้ปัญหาไม่ใช่ทำให้น้องมีปัญหาหนักขึ้นไว้ใจผมเถอะถ้าพ่อหมอรู้ละเอียดขนาดนั้นก็แปลว่าผมไม่จะเป็นต้องปิดบังใครในห้องนี้อีก นุ้ายก็มีสิทธิ์รู้ด้วยอย่างนั้นเหรอครับผมอยากยกทุกสิ่งที่มีอยู่ให้กับเขาได้ซ้ําำเราเป็นอะไรกันทำไมเรื่องต้องมายกอะไรให้ซายด้วยล่ะเราไม่ได้เป็นอะไรสําหรับซรายแต่ซรายเป็นคําตอบของชีวิตเราขอบใจนะเรื่องแต่ตอนนี้ทายรู้สึกไม่ดีเลยกับความสงสัยว่าถ้าเป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเธอแล้วอาจต้องเสียใจในภายหลัง เพียงเพราะไม่ศึกษาให้ดีๆซะก่อนว่าเธอผ่านบาปผ่านกรรมอะไรมาบ้างนอกจากแกล้งคนด้วยโปรแกรมโทรจันสาบานได้ว่าเราไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนแล้วแค่ทำในสิ่งที่เรามีสิทธิ์การมีสิทธิ์อยู่จริงๆกับความเข้าใจผิดว่ามีสิทธิ์นี่แหละที่เป็นต้นตอของความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับศีลธรรมคนส่วนใหญ่มักตัวว่าตัวเองนะ่มีสิทธิ์ทั้งที่จริงแล้วมันไม่มี ซายอยางมียานอย่างรู้จังคะ่ะใครช่วยบอกทีได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเลือกไปทำอะไรมาเอ่อเอ่อเอายเอ่เอถ้าน้องไม่เปิดปากอีกเดียวหนูซายเขาจะงอนแล้วนะเอ่อหลังจากเราพยายามอยู่หลายปีพอแกรหัสสัญญาณดาวเทียมสำเร็จ เราก็ทำให้บัญชีในสวิสที่ไม่ควรจะมีเงินกลับกลายเป็นบัญชีที่มีเงินขึ้นมาก้อนหนึ่งน ะ, ฮะเฮรอกอย่างเธอนี่ไม่ใช่แค่คนร้อนวิชาแล้วแต่เธอเป็นขโมยไม่ใช่นะถ้าเงินของายหายไปสลึงเดียวายจะรู้สึกว่าตัวเองถูกขโมยไหมสลึงเดียวอาจไม่ทาให้ายรู้ตัวว่าโดนขโมยและก่องให้เงินหายไปห้าบาทหรือสิบบาทายก็อาจจะไม่รู้สึกว่าถูกขโมย แต่ถ้าเธอเอาไปเธอก็ได้ชื่อว่าเป็นขโมยอยู่ดีไม่เมื่อไม่มีความรู้สึกว่าถูกขโมยก็ยังไม่มีผู้ถูกขโมยเมื่อไม่มีผู้ถูกขโมยก็แปลว่าไม่มีการขโมยเกิดขึ้นและเมื่อไม่มีการขโมยเกิดขึ้นก็แปลว่าไม่มีใครสักคนที่เป็นหัวขโมยคนเราเนะ่ยตั้งตนเป็นขโมยกันตรงเจตนาเอาสิ่งที่เจ้าของห่วงแหนมาเป็นของตน โดยไม่เคยได้รับการอนุญาตและไม่เคยผ่านความเห็นชอบจากใครถ้ามองในแง่นั้นผมก็ไม่ได้ตั้งต้นโดยเจตนาที่พ่อหมอว่ามาผมแค่ใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการแปลงข้อมูลให้เป็นเงินก็เท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เหรอมันเหมือนเล่นเกมที่ใครผ่านด่านได้ก็เอคะแนนไปและในโลกความเป็นจริง ก็ไม่มีใครเดือดร้อนสักครายเพราะผมตอดเงินส่วนเกินส่วนที่ความหวงแหนของพวกเขาแตกเข้าไปไม่ถึง <c oughs> ผมเห็นแล้วว่าน้องเชื่อกของน้องอย่างนั้นจริงๆแล้วเธอเล่นเกมได้คะแนนมากี่ต้มเอ่อพันเดียว <c oughs> แค่พันบาทเอาคืนเข้าไปเธอสายช่วยออกเองคือ <c oughs> ไม่ใช่พันบาท เธอหมายถึงพันล้านเหรอแล้วเธอมีหน้าบอกได้ยังไงว่าไม่มีใครเดือดร้อนเงินทองกองภูเขาก็ขนาดเนี้ยเงินพันล้านบาทไทยเนะี่ยคิดเป็นเงินดอลลาร์าก็แค่2ี่สิบห้าล้านนะซายถ้ามีเศรษฐีระดับโลกสักสองร้อยห้าสิบคนเงินหายไปคนละแสนเหรียญ ซึ่งเทียบค่าเท่ากับสลึงเดียวของทรายเชื่อเธอว่าจะไม่มีใครในพวกเขาสะดุ้งสะเทือนสักรายคนพวกนี้ไม่เคยรู้ได้ซ้ำว่าวันวันหนึง่งตัวเองมีเงินหรือทรัพย์สินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่ได้แต่ยกหน้าที่ให้สำนักงานรักษาผลประโยชน์จัดการกันเท่านั้นเมื่อไหร่พวกเขาเห็นชื่อตัวเองติดกลุ่มคนรวยที่สุดในโลก400อันดับแรกจากนิตยสารฟอบเมื่อนั้น ถึงค่อยสวยสุขจากตัวเลขดอลลาร์สิเอหลักสักทีพวกเขาจะไม่แย่แสกับเศษเงินหกหลักเลยไม่แต่นิดเดียวสายตามีไว้สําหรับเห็นเลขที่ระดับหลักสิบกับสิบเอเท่านั้นแหละที่เรอกพูดมันถูกจริงเหรอแต่เราก็ไม่มีปัญญาค้านเลยถ้าสายมีเงินอยู่หมื่นบาทสายจะไม่มาโมวคิดเล็กคิดน้อยว่าเงินหนึ่งสลึงสองสลึงอยู่ในมือครบไหมนั่นแหละ เป็นอัตราส่วนเดียวกับที่เศรษฐีหมื่นล้านจะ ก, กำเนึงถึงเงินแสนดอลลาร์ของเขาเราเป็นแค่คนที่พบเงินสลึงไร้ค่าของเศรษฐีเหล่านั้นแขวนอยู่ในอากาศอย่างเปล่าประโยชน์มันเหมือนส่วนเกินของระบบเงินตราและเราก็แค่คิดวิธีเอาเงินสลึงนั้นลงมาจากอากาศทีละเหรียญหลายร้อยครั้งหมองอุปการะมองเด็กหนุ่มด้วยสายตาของผู้อยู่เหนือความละโมบจึงได้เห็นชัดว่า ความคิดของมนุษย์นั้นน่ากลัวเพียงใดและแนวน้ำปุตุชนผู้ยังมีภูมิต้านทานต่ำด้วยกันให้คล้อยตามได้ง่ายดายขนาดไหนสัมผัสรู้ของเขาบอกว่านัชเลกำลังจะยอมเป็นพวกกับเพื่อนนุ่มอยู่รำไรนั่นจริงทำให้หมอดูใหญ่คิดว่าถึงเวลาตนต้องออกโรงบ้าง แล้วน้องรู้ไหมว่าเงินสลึงที่รวบรวมได้จากเศรษฐีหลายร้อยรายเหล่านั้นจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของน้องผมวางแผนไว้แล้วระหว่างเรียนมหาลายัยผมจะตั้งบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ขึ้นมาจะทำงานจริงๆมีลูกค้าจริงๆสิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือบริษัทของผมจเจริญเข้าหน้าอย่างรวดเร็วเพียงทางานให้ลูกค้าไทยสองสามราย ก็จะได้รับการติดต่อจากลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีชื่อเสียงแต่ไม่มีตัวตนถึงตอนนั้นตอนผมขับเบนซ์ไปเรียนก็คงไม่มีใครสงสัยเห็นแน่มากนะที่คิดได้ขนาดนี้ถึงเราจะว่าเข้าไปอย่างนั้นแต่ก็อดวันไหวไม่ได้เหมือนกันนะแย่จังสายเชื่อเธอโดยพื้นฐานเราไม่เชื่อหัวขโมย เราจอ ร, ระบบเล็กใหญ่มาได้หลายปีแต่ไม่เคยแสดงอำนาจบาดใหญ่ไม่เคยทำตัวเป็นนักเลงโตไม่เคยเอารหัสเครดิตใครไปใช้ท้าที่สามารถทำได้ง่ายเหมือนพริกฝ่ามือใช่สิเธอเป็นคนรอบคอบนี่คงไม่ทิ้งร่องรอยจิ๊บจ้อยแบบตีนแมวเอาไว้เปิดหรอกแต่เอาทีเดียวแบบมายากลชุดใหญ่ที่สามารถล่องหนหายตัวไปพร้อมกับภูเขาทองทั้งลูกเลย อยากจะบอกด้วยซ้ำว่าเธอไม่ใช่แค่หัวขโมยแต่เข้าขั้นมาหาโจรเลยทีเดียวละ่ะเราแค่ต้องการหลักประกันชีวิตทำครั้งเดียวไม่ได้ชื่อว่าเป็นโจรหรอกเป็นโจรต้องทําหลายขนทำเป็นอาชีพและไม่สามารถหยุดขโมยได้เนื่องจากทำอย่างอื่นไม่เป็นแต่เราทำเป็นเราจะมีหน้าอยู่ในสังคมได้อย่างปโปรแกรมเมอร์แถหน้าคนหนึ่งน้องรู้จักริเดทของกิเลส ด, ดีแค่ไหน รู้ได้ยังไงว่าก้าวแรกไปแล้วจะไม่ตามมาด้วยก้าวที่สองรู้สิก้าวที่สองจะไม่มีอีกเพราะขาดแรงจูงใจไงผมมีเงินพอแล้วสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ทั้งชาติไม่จะเป็นต้องดิ้นรนให้เกิดความเสี่ยงขึ้นอีกและที่สำคัญผมแน่ใจว่าถ้าทายต้องการอะไรผมจะหาเขาได้ทุกอย่าง ทำไมเรลิกต้องพูดแบบนี้กับพ่อหมอด้วยนะเราไม่ได้เป็นอะไรการซึกหน่อยแต่ทำไมเราไม่กล้าว่าเขาล่ะหรือว่าเราก็กำลังหวั่นไหวกับอำนาจเงินเหมือนกันไม่เอานะไม่ได้เราจะไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจเงินเด็ดขาดอืมย้อนกลับมาคุยเรื่องที่ยังค้างคากันอยู่ดีกว่านะน้องมาที่นี่เพื่อจะถามผมว่า จะหลุดจากบวงวิบากกรรมได้อย่างไงทีนี้เพื่อให้เกิดการเห็นกระจางตลอดสายก็ต้องมาดูให้เห็นกรรมอันเป็นเหตุหแห่งวิบากทั้งหมดซะก่อนอย่างเช่นการเอาเงินคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตผมทราบชัดว่านั่นเป็นการละเมิดศีลเป็นอกุศลกรรมเป็นหนี้บาปส่วนหนึ่งที่ต้องชดใช้ผมมีหน้าที่ชี้ให้เห็นอย่างนี้ แต่หากว่าน้องเลือกที่จะเชื่อด้วยเหตุผลส่วนตัวที่หนักแน่นน่าฟังกว่ากันมันก็เป็นสิทธิ์ที่น้องจะเก็บความเชื่อนั้นไว้ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อถกเถียงแต่ก็อยากเข้าใจไม่ต้องขาใจว่าการเอาสิ่งที่ไม่มีใครใช้ประโยชน์มาทำให้เกิดประโยชน์มันจะเป็นบาปกรรมได้อย่างไรเงินส่วนเกินของระบบที่ไม่มีค่าสาหรับใครตลอดไป มันต่างอะไรกับสายลมแสงแดดในเมื่อมนุษย์มีสิทธิ์เอาใบพัดไปรับกระแสลมและเอาเซลแสงอาทิตย์ไปรับแดดมาแปล ร, รูปเป็นพลังงานไฟฟ้าทำไมผมจะเอาจารย์ดาวเทียมไปคว้าสัญญาณข้อมูลมาแปล ร, รูปเป็นเงินบ้างไม่ได้เล่าเพราะสัญญาณดาวเทียมที่น้องว่าน่ะมันถูกส่งมาจากเจตนาของคนที่ต้องการเก็บงาไม่ได้มาจากธรรมชาติ ที่ยอมเผื่อแผ่ทรัพยากรให้สัตว์โลกใช้อย่างเปิดเผยที่ไหนมีช่องโหว่ที่นั่นก็คือการเปิดโกาสให้ใช้สิทธิ์สิทธิ์ที่จะเอาเงินของเขามาเป็นของเราเนะี่ยล่ะอย่างนี้ใครสะพายกระเป๋าไว้บนไหลก็ถือว่ามีช่องโหว่ให้ใช้สิทธิ์วิ่งราวได้น่ะสิสิ่งที่ทําให้ดูเหมือนน้องมีสิทธิ์คือสติปัญญาความอุตสาหะและความช่างสังเกตเกินมนุษย์ ผมไม่รู้เรื่องสัญญาณดาวเทียมแต่สิ่งที่ผมเห็นในน้องก็คือความสามารถคิดสร้างสรรได้ระดับเดียวกับนักมายากลผู้สร้างกลมหาสัรย์แบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนน่าเสียดายที่น้องจะใช้ความสามารถสร้างสรรไปในทางที่ไม่ชอบธรรมเท่านั้นสติปัญญามีส่วนทำให้เข้าถึงสิทธ์แต่คาว่าสิทธ์จริงๆอยู่ตรงที่เงินอยู่ในสภาพเหมือนของกลางตังหาก ของคลางคือสิ่งที่ไม่มีใครหวงแหนยังไม่มีใครแต่ต้องและลอยไปลอยมาอยู่บนอากาศรอาการหยิบฉวยไม่ต่างจากสายลมแสงแดดตัวเลขที่ผมได้มาคือดอกเบีย้ยนะไม่ใช่เงินฝากก้อนเดิมของพวกเขาและทํ้มองอีกแง่หนึง่งผมก็ต้องทำงานเหมือนคนอื่นหรืออาจจะต้องทนหลังขดหลังแขงนานปียิ่กว่าคนอื่นด้วยซ้ากว่าจะคว้ามันมาได้ทาไมมันถึงจะไม่ชอบทาเล่า บรรดาเจ้าของเงินรู้เข้าเขาคงไม่พอใจแน่ที่จูๆ่ๆน้องไปตูว่าทรัพย์สินของเขาเนะ่เป็นสายลมแสงแดดก็เขาจะไม่รู้ไงและจะไม่รู้ไปจนชั่วชีวิตนั่นแหละแม้แต่ผมเองก็ไม่เคยสนใจด้วยซ้ำว่าที่ตอดมาทีลนิดทีลหน่อยเป็นดอกเบี้ยจากบัญชีของมาเฟียใหญ่หรือเจ้าพ่อกิจการระดับโลกประเทศไหนรู้แต่ว่าพวกนี้โลเป็นบ้าเป็นหลัง และกรรําเงินสกรปรกไว้ได้ก็ด้วยบริการของเหล่าธนาคารที่ลึกลับที่สุดในโลกบนเกาะเคมานเกาะนั้นน่ะเหมือนสูนรวมบ่อน้ําคลั่มดีๆนี่เองผมเป็นแค่คนหนึ่งที่ผ่านมาและขอร่วมโดดลงบ่อน้ําคลา่มหนเดียวเพื่อเก็บเกี่ยวสายลมแสงแดดบนเกาะมาปั่นไฟให้ชีวิตตัวเองสว่างขึ้นหน่อยน้องไปเปรียบเทียบเงิเงนทองที่มีเจ้าของเป็นสายลมแสงแดดไม่ได้แต่ต้องเปรียบกับ ดอกไม้มีพิษดอกไม้พวกนี้จะอยู่ดีและไม่เป็นอันตรายกับลำต้นของตัวเองเลยต่อเมื่อมีใครไปเด็ดมันออกจากต้นนั่นแหละพิษสงจึงสำแดงตัวต่อมือผู้เด็ดบางพันธุ์มันอาจจะแค่ทำให้ผื่นคันแต่บางพันธุ์อาจลุกลามถึงหัวใจจนตายได้น้องจะแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมรับว่าเกิดอาการแพ้ดอกไม้ก็ได้ แต่เมื่อไรพิษลามเข้าถึงหัวใจทุกอย่างก็จะสายเกินแก้ผมเห็นแต่ตัวเลขในบัญชีตัวเลขเหล่านั้นให้ความรู้สึกถึงหลักประกันในชีวิตผมยังมองไม่เห็นเลยว่ามีพิษสงซ่อนอยู่ตรงไหนผมเพิ่งไปถอนนั้นมาใช้เป็นครั้งแรกเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อใช้หนี้พนันให้แม่ก่อนถูกนักเลงทวงด้วยไม้แข็งใครจะรู้ วันหนึ่งก่อนตายผมอาจจะบริจาคให้อยู่ในเซฟสักร้อยล้านก็ได้ในขณะที่ตัวเลขยังยืนเด่ยอยู่บนเกาะเคมานมันจะไม่ทําประโยชน์ให้ใครและไม่เป็นคุณต่อโลกเลยสักนิดเดียวถ้าน้องเอาเงินมาช่วยแม่ได้และคิดจะเอาเงินมาทําประโยชน์กับโลกในวันข้างหน้าผมก็ขออนุโมทนาด้วยเพราะอันนั้นเป็นบุญแต่ยังไงซะนั่นก็เป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระ ที่ผ่านมาตอนน้องจิกจากกระเป๋าคนโน้นทีคนนี้ทีผมขอยืนยันว่ามันเป็นบาปที่ต้องชดใช้อยู่ดีนะเอบงั้นอธิบายผมยอมรับหน่อยสิว่าแค่การยักย้ายถ่ายเท ต, ตัวเลขไม่ก่อความเดือดร้อนให้ใครไม่ต้องรบกวนผู้รักษาก ฎ, กฎหมายประเทศไหนทำไมมันถึงเป็นบาปไปได้ทรัพย์สินของมนุษย์ ไม่ได้มีแค่กฎหมายคุ้มครองแต่ยังมีอำนาจการครอบครองของใครคนหนึ่งแผ่งเงาปกคลุมอยู่ด้วยความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคือพลังสะเทือนอย่างหนึง่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงริปล้นใหม่ๆหัวขโมยถึงได้มือสั่นและก็น่ามืดวูบวาบเสมอโดยเฉพาะตอนมีเจตนาพยายามเคลื่อนย้ายของจากตำแหน่งที่มันควรจะปักหลักตั้งอยู่ยิ่งเจ้าของมีความหวงแหนมาก แรงสะเทือนก็ยิ่งมากเป็นเงาตามตัวมนุษย์ที่ยังไม่ชินชากับงานโจรกรรมยังไม่ถูกคอหุ้มด้วยกำแพงบาปหนานน่นจะสัมผัสรู้สึกถึงกระแสพันนี้ได้ชัดเพราะจิตย่อมเปลี่ยนจากสภาพดีๆเป็นเศร้าหมองด้วยบาปอากุศลเห็นธนัตแต่ตอนที่ผมจ่อระบบเข้าไปถึงช่องทางควบคุมการสื่อสารของดาวเทียมได้สาเร็จ ผมมีแต่ความขนพองสยองกล้าวด้วยความดีใจสุดชีวิตแหกปากจนชาวบ้านตกใจนึกว่าถูกใครยิงรับรองว่าต่อให้พวกที่ขึ้นไปยืนรับเหรียญทองโอลิมปิกก็ไม่เคยไปถึงขีดสุดของความปราบรื้มเท่าผมหรอกให้ตายเถอะผมไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองหรือหน้ามืดบูบว่าอย่างพ่อหมอพูดเลยสักนิด ไอ้ตอนที่ดีใจหรือเกิดโสมนัสครั้งใหญ่น้องจะไม่รู้สึกถึงแรงสะเทือนในทางลบล็อกทั้งที่มันปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นพร้อมๆกันเพราะโดนโสมนัสกลบกลืนเสียหมดตัวโสมนัสนี่แหละมันหลอกเราว่ากําลังทําถูกอย่างที่สุดทั้งที่อาจกําลังทําผิดร้ายแรงอย่างที่สุดสมมุติว่าถ้าเชื่อตามที่พ่อหมอตัดสิน แปล ว, ว่าผมต้องเจอดีจากพิบากที่ไปลักเงินคนอื่นอย่างไรก็เป็นเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนั่นแหละน้องมีส่วนถูกอยู่อย่างหนึง่งตรงที่ว่าการตอดเงินเบี้ยหัวแตกของเศรษฐีนั้นไม่ทําให้พวกเขาสะดุ้งสะเทือนอะไรนะักความจริงนี้จะทําให้น้องยังไม่ได้รับผลเป็นความเดือดเนื้อร้อนใจรวดเร็วทันตาเห็นหรือถึงแม้ต้องประสบกับความพินาศของทรัพย์บ้างก็ไม่มากนะัก แต่มีกฎของการสนองกรรมอยู่ข้อหนึ่งคือใครเอาสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของตนมาเท่าไหร่ก็ต้องชดใช้ด้วยการสูญเสียสิทธิ์ของตนเป็นประมาณเท่านั้นหรือมากกว่านั้นยิ่งผู้เป็นเจ้าของทรัพย์มีคุณธรรมสูงขึ้นเท่าไหรค่าของสิทธิ์ครอบครองที่ห่อหุ้มทรัพย์สินก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นการลักทรัพย์คนบางคนนั้นเอาหนึ่ง แต่อาจต้องใช้คืนเป็นร้อยเป็นพันความเห็นของผมกับพ่อหมอต่างกันตรงเรื่องสิทธินั่นเองผมเคยได้ยินว่าความจริงขึ้นอยู่กับมุมมองเรามองอย่างไรความจริงก็เป็นอย่างนั้นเช่นขณะจอระบบดาวเทียมหรือขณะยกักย้ายถ่ายเท ต, ตัวเลขผมช่วยอย่างบริสุทธิ์ใจว่าผมมีสิทธิ์ผมไม่ได้ทำบาปทำกรรมเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีอภิสิทธิ์จากความไม่เชื่อ เป็นตัวคุ้มครองไม่ให้ต้องไปรับบาปถูกไหมน้องคิดได้ยังไงไอ้คำนี้เนี่ยอภิสิทธิ์จะความไม่เชื่อถ้าคนเราไม่เชื่ออะไรแล้วได้รับอภิสิทธิ์อย่างนี้ถ้าเกิดน้องไม่เชื่อว่าตัวเองต้องตายก็แปลว่าได้อภิสิทธิ์ไม่ต้องตายน่ะสิคนเราเนี่ยเชื่ออะไรได้เรื่อยเปื่อยสารพัดแต่จะมีอยู่แค่ความเชื่อเดียวที่ตรงกับความจริงผมว่าความจริง เปลียนไปตามความเชื่อตั้งหากนักปราชที่ไหนก็พูดกันมาตั้งนานแล้วนักปราชที่ยังเข้าไม่ถึงความจริงขั้นสุดท้ายน่ะสิความจริงสุดท้ายคืออะไรความจริงสุดท้ายนั้นอยู่สูงสุดน้องอย่าเพิ่งสนใจเลยถ้ายังเห็นไม่ได้ว่าความจริงตื้นตื้นเกี่ยวกับบุญและบาปเป็นยังไงเอาล่ะผมอยากได้คาทานายสาหรับกรรมที่รู้สึกว่าตัวเองทำผิดไปจริงๆ ผมแกล้งคนเป็นล้านตอนนี้กรรมสนองมามากแล้วเมื่อไหร่ถึงจะหมดเวรหมดกรรมเรื่องนี้พ่อหมอทำนายไว้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ทรายมาพบทำนายว่ายังไงเธอแกล้งคนแบบไม่เลือกหน้าหวังผลไว้ก่อนไว้ยิ่งมากยิ่งดีแล้วความจริงก็คือมีคนหลงกลเธอเป็นล้านเพราะงั้นข่าวดายนะผลสาเร็จที่เกิดขึ้นว้างขวางไปในหมู่ชนไม่เลือกหน้าแบบนี้ จะก่อให้เกิดเงากรรมที่ตามให้ผลเป็นกับเป็นกันไม่ใช่แค่เฉพาะชาตินี้ที่ยังพอจำความได้ว่าเคยเกี่าวเรื่องอะไรไว้แต่จะยืดเยื้อต่อเนื่องไปถึงอนาคตอีกนับชาติไม่ท่วนแม้ลืมชาตินี้ไปแล้วอย่างสนิทพูดง่ายๆว่าเธอจะรู้สึกเหมือนชะตาคอยกลั่นแกล้งไม่ให้มีอันเป็นสุขไปอีกนานเท่านานเลยละ่ะอะไรกันพ่อหมอผมแค่แกล้งคนอื่น เหมือนเด็กเล่นขัดแข่งขัดขากันหน่อยเดียวถึงกับตัดสินสาบแช่งผมเป็นกับเป็นกันไม่มากไปหน่อยเหรอผมพูดตามที่เห็นกฎแห่งการสนองกรรมเขาตัดสินไม่เคยคิดพิภากษาหรือว่าสาบแช่งน้องด้วยความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะแต่ว่านี่นะน้องแค่แกล้งขัดแข่งขัด ข, ดขาคนอื่นลเล่นๆก็จริงแต่คนโดนเป็นล้านจานวนขนาดนั้นนะ่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่ อาจแค่หัวขมำหรือล้มลุกคลุกคลานนิดหน่อยแต่หนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันอาจจะเจ็บตัวถึงขนาดหัวแตกหรือแม้กระทั่งล้มตายไปเลยนะถ้าจิตของพ่อหมอเป็นตาช่างผมว่าสปริงคงขาดแล้วล่ะต่อให้วางสำลีลงไปก็นึกว่าเป็นตุ้มเหล็กมีหยางเหรอโดนขัดขาล้มแล้วถึงตายคนที่โดนโปรแกรมผมเล่นงานน่ะ อย่างมากก็แค่เซฟไฟล์ไม่ลงครั้งเดียวคราวหน้าเขาก็รู้ตัวและสังเกตเห็นความผิดปกติได้ความเสียหายจะสักเท่าไหร่กันอย่างที่ผมเปรียบเทียบว่าหกล้มบางจังหวะมันก็อาจจะเจอของมีคมทิ่มแทงให้ถึงชีวิตได้เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากมีคนเร่งงานและอุตสาห์เก็บข้อมูลสาคัญสุดท้ายที่ชี้เป็นชี้ตายได้ในวันรุ่งขึ้น เขาคงนอนหลับสบายในคืนที่คิดว่าทำงานเสร็จแต่เมื่อพอตื่นขึ้นมาพบว่าข้อมูลหายไปอย่างไม่อาจนำกลับคืนมาได้ทันการชีวิตเขาอาจถึงความหายนะได้ทีเดียวนะไม่มีหรอกผมดูข่าวเซนเอ็นทุกวันยังมากก็เห็นมีแต่คนบ่นแบบกโกรธหรือไม่แฮกเกอร์โดยกันก็ชมเป่าะว่าผมแน่มากที่ถลวงยักษ์ใหญ่ได้ถึงไส้ ยังไม่เคย้ยินข่าวไร้แรงคอขาดบาดตายจากเรื่องนี้เลยข่าวหลายๆข่าวน้องจะไม่มีวันได้ยินและต่อให้เหตุการณ์ในข่าวมาวางแบให้รู้เห็นกับตาอยู่ตรงหน้าน้องก็ไม่มีวันทราบว่าตัวเองมีเอี่ยวอยู่ด้วยหรือเปล่าซายขอเป็นตัวแทนคนนับล้านบอกเรื่องให้รู้ไว้ว่ามันเจ็บปวดมากและไม่ได้รู้สึกว่าเสียแค่งานแต่ยังเสียใจจนนอนไม่หลับไปหลายคืนเลยละ่ะเออเราขอโทษ ยังมีคนที่เจ็บกว่าหนูสายเยอะและน้องเองก็ได้พบเห็นเหยื่อมากับตาแล้วนี่นะผมน่ะเหรอจอเหยื่อตัวเองเมื่อไหร่กันมีสายอยู่คนเดียวผมก็ขอโทษเขาไปแล้วและจะชดใช้ไถ่โทษด้วยการทําคุณกับเขาถึงที่สุดด้วยน้องจำไม่ได้เหรออาทิตย์ที่แล้วนะมีคนโดดตึกตายเฉียดหลังน้องไปหน่อยเดียวใช่ไหม จริงเหรอนี่มีคนตายเพราะเราคนคนนั้นโดดตึกตายเพราะเราเราฆ่าเขาเราเป็นฆาตากรเราทําให้เขาตายเราฆ่าคนตายเราทําให้เขาตายเราฆ่าคนตายเราฆ่าคนตาย การเห็นคนโดดตึกตกลงมาตายต่อหน้าสามารถสันประสาทคนทั่วไปได้ชั่วชีวิตแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าได้รู้ว่าคนคนนั้นมีเหตุบีบคั้นให้ฆ่าตัวตายด้วยการกระทำล้อเล่นของตนเองจองเริกทั้งหวาดกลัวและเกิดความสำนึกผิดอย่างแรงกล้าจนไม่มีเหตุผลใดๆ มาเถียงกับหมออุปการะได้อีกเลยเวลานี้เขายอมรับผิดในทุกสิ่งที่ได้กระทําและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อชดใช้ชดเชยความผิดเหล่านั้นหลังจากออกจากบ้านของหมออุปการะจองเริกก็พาณชเลไปรับประทานอาหารกลางวันในร้านหรูที่สุดของห้างแต่น่าเสียดายที่เขาไม่อาจปั้นสีหน้าให้ดูดี เยี่ยงคนรวยอารมณ์สุขได้เขาเงียบกริบและตกอยู่ในอาการคุ้นคิดมาตั้งแต่ออกจากบ้านมา อ, อุปการะนอกจากชวนน้เลทานข้าวด้วยกันแล้วก็ยังไม่อาจขยับปากพูดอะไรระหว่างรออาหารด้วยความเงียบงนันนาทีหนึ่งจองเริกก็เ อ, อ่ยปากก่อนออขอบใจมากนะซ้ายไม่เป็นไรหรอก แต่ก็ไม่ได้มีส่นวนช่วยสักเท่าไรช่วยสิช่วยมากด้วยแล้วเรื่องจะทํำยังไงต่อไม่รู้สิตอนเนี้เรารู้สึกเหมือนตัวเองโง่กว่าใครๆทั้งหมดคงไม่กล้าคิดไม่กล้าใช้สติปัญญาอะไรอีกคนเรานะ่ะพอทําอะไรลงไปแล้วเราจะกลับไปแก้ให้เป็นอื่นไม่ได้แต่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้นะ มันจะไม่เกิดขึ้นอีกถึงอย่างนั้นเราก็คงรู้สึกผิดไม่เลิกที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องตายไม่มีใครเคยตายหรอกก็แค่สลบไปแล้วฟื้นขึ้นใหม่ในอีกสภาพหนึ่งเท่านั้นและสภาพนั้นจะเหมาะสมกับกรรมของเขาเองเสมอแล้วเราควรทำยังไงถึงจะหายรู้สึกผิดลองพยายามทำตามที่หมออุปการะแนะนาสิ เราจำคำแนะนําของแกช่วงท้ายไม่ได้เลยพ่อหมอบอกว่าสําหรับกรณีของคนตายถ้าอยากจะรู้สึกดีขึ้นก็ให้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของเขาเพราะเมื่อขาดผู้นําครอบครัวของเขาก็ยิ่งลําบากเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากฐานะการเงินที่กําลังเข้าตาจนอยู่แล้วเราช่วยพวกเขาแน่แต่เราคงฝันร้ายไปทั้งชีวิตถ้านึกว่าอาจมีอย่างนี้อีก หลายรายในหลายประเทศเพียงแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นก็หวังว่าจะไม่มีเรื่องร้ายแรงขนาดนี้กับใครอื่นอีกไวรัสที่ทำลายล้างทุกไฟลยหรือกระทั่งทำลายฮาร์ดดิสก์ทิ้งทั้งลูกก็ยังเคยมีมาแล้วอันนั้นคนคงทุกข์สาหัสกว่าโทรจันของเธอมากนะเพิ่งเห็นจริงๆว่าเรามันชาติชั่วยังไงเราไม่น่าเกิดมาเลยเธอไม่ใช่คนเลวหรอกมาอุปการะยางบอกไง ขีดความแรงของเจตนาเธอมันแค่ล้อเล่นแบบเด็กวัยรุ่นที่รู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่เจตนาห้ามหันใครแบบฆาตกรทรายเองมองเธอเป็นคนเย็นชา ม, มาตลอดยังผิดคาดด้วยซ้ำที่เห็นเธอร้องไห้สำนึกผิดได้ขนาดนั้นแต่เชื่อเธอว่าถ้าสำนึกผิดอย่างแท้จริงในด้านไหนก็แปลว่าเธอกำลังเป็นคนดีขึ้นในด้านนั้นแล้วเราคงอยากฆ่าตัวตาย ถ้าซายเกลียดเราม่เอานะซายจะเกลียดเรกทำไมล่ะยอมรับนะว่าวูบแรกมีความโกรธบ้างตอนรู้ว่าเธอเป็นแฮกเกอร์ที่เคยทำให้ซายเจ็บลึกมาก่อนแต่ต่อมาก็นึกได้ว่าเป็นกรรมเก่าของซายเหมือนกันกรรมเก่าอะไรคนอย่างซายเนี่ยนะเคยทำบาปเคยสิมาอุปการะ บ, บอกว่าที่สายตกเป็นเหยื่อครั้งนี้เพราะเมื่อก่อนเคยวางยาเบื่อสัตว์เลี้ยง เพื่อให้มันพ้นทรมานจากโรคเรื้อรังซายจึงรับผลแอนสมควรกับกรรมที่เกอบไปแบบตรงๆคือชาตินี้ตอนซายเจ็ดแปดขวบเคยกินยาแล้วแพ้อย่างแรงต้องนอนแบบไม่ได้สติอยู่ตั้งสองวันตอนนั้นซายและทุกคนในบ้านไม่รู้ว่าเป็นกรรมเก่าให้ผลเลยโกรธหมอที่ให้ยาผิดจะเอาเรื่องเอาราวมันเลยมีเศษกรรมโดนใจให้ไปโดนไวรสัสคอมพิวเตอร์ของเลิกเข้า แต่เราก็เป็นเหมือนเครื่องมือปลดปล่อยท้ายจากบ่วงกรรมอย่างเด็ดขาดเพราะวันที่ไปพบหมออุปการะครั้งแรกก็ได้รับการยืนยันว่าถ้าวางความพยายามเสได้จะถือเป็นการสิ้นสุดเวรภัยชุดนี้แล้วอย่างเด็ดขาดแล้วซ้ายเห็นเราเป็นพวกกอาชญากรรมเห็นเราไม่น่าคบสนิทบ้างหรือเปล่าสารภาพตามตรงนะที่เราเถียงพ่อหมอมากมาย ก็เพราะกลัวว่าซายจะเห็นเราเป็นคนเลวเป็นหัวขโมยที่ควรตีตัวออกห่างถ้าต้องการซื้อใจซายไม่ให้ซายเห็นเริ่มเป็นหัวขโมยเธอก็ต้องทำในทางตรงข้ามกับการเป็นหัวขโมยสิเขินเงินให้เจ้าของไปซะโท่ซายเราไม่รู้เด็ดซ้าว่าเอาเงินใครมาบ้างเราเห็นแต่รายละเอียดทางเทคนิคตัวเลขคือต้องรู้ว่ามีการคานวณดอกเบีย้ยเมื่อไร และจะสร้างท่อถ่ายน้ำที่เอ่อขึ้นมาใหม่ให้หักเหไปเก็บไว้ที่ปลายทางอื่นได้อย่างไรนั่นเป็นทั้งหมดที่สำคัญเรื่องชื่อแซ่เจ้าของบัญชีเนี่ยไม่มีความหมายกับงานของเราเลยแล้ ว, ว่ายังไงก็ไม่มีทางคืนเจ้าของเหรออืมตอนที่ทำเราไม่ได้ตั้งใจคืนนี่แล้วเธอไปเบิกเงินจากสวิสมาได้ยังไงเขาไม่ถ่าถามที่มาที่ไปเหรอหน้าอ่อนแค่นี้มีเงินมากกว่าซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดซะอีก บางธนาคารนะ่ะแค่บอกรหัสก็เอาเงินฝากมาได้แล้วไม่มีการตรวจชื่อไม่มีการถามหาหลักฐานยืนยันอื่นและเราก็ให้แม่เป็นคนจัดการโอนเข้าบัญชีที่เมืองไทยไม่ต้องประกฏตัวเองตามไปด้วยเพื่อคอยบอกบทท่านั้นเองธนาคารโจรหรือเปล่าก็ธนาคารที่ยอมรับความจริงว่าโลกนี้ต้องมีอัชญากรนะ่ะอ๋อยอมรับได้เหรอว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งในอัชญกร ไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำอะไรลงไปเพียงแต่เรารู้จักตัวเองดีขอแค่ครั้งเดียวเพื่อหลักประกันชีวิตและจะไม่ทำอีกอย่างนี้ซ้ายถือว่าเราเป็นอัชญากรโดยอาชีพหรืออัชญากรโดยสันดาณได้เหรอเริ่มขึ้นมาก็คิดกันอย่างนี้ล่ะไม่มีใครรู้หรอกว่ายอมเหยียบบันไดอบายขั้นหนึ่งอบายจะยื่นบันไดขั้นที่สองมาให้ทันที และจะฝืนเท้าไม่ให้เหยียบลงต่ำต่อได้ยากขึ้นเรื่อยๆงั้นซายก็ช่วยชุดเราขึ้นมาสิเราสัญญาจะยอมฟังซายทุกคำที่เธอมีอยู่ถ้าคิดเป็นเงินไทยทั้งหมดเท่าไรเหรอเราพันหกหรือพ7 0เจ็ดมั้งความจริงถ้าเรากล้าใช้เทคนิควิธีที่บ้าบินหน่อยก็อาจจะมีเป็นหมื่นแล้วได้ซ้ำนี่เรามักน้อยเลือกวิธีที่ไม่สามารถจับสังเกตยอย่างสิ้นเชิง ได้มาแค่เนสงสัยจริงๆว่าเธอผ่านระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดทางการคำนวณมาได้ยังไงถ้ามีความผิดพลาดที่ระบบตรวจสอบเสียเองเรื่องก็ไม่น่าสงสัยหรอกเธอต้องเข้าใจทั้งระบบบัญชีระบบฐานข้อมูลและระบบการสื่อสารอย่างละเอียดเหลือเชื่อจริงๆแถาไม่ใช่ด้วยวิธีศึกษาตรงๆจากคู่มือแต่ใช้วิธีแกะรหัสสัญญาณดาวเทียมซะด้วยเราถึงต้องเสียเวลาไปหลายปีไง ทีแรกมันเป็นแค่งานอดิเรกแต่พอเราคลาถูกที่จุดเริ่มต้นและหาวิธีสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาเป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยรวบรวมข้อมูลให้เป็นกลุ่มก้อนได้เราก็รู้ว่างานอดิเรกนียจะทำให้เราสบายไปทั้งชาติโดยไม่จำเป็นต้องทำงานประจำด้วยซ้ำสบายอย่างมากก็ชาติเดียวแต่ที่แน่คือความสาเร็จนี้จะพอนิสัยเพ่งเลง็งทรัพสมบัติผู้อื่นที่เธอไม่มีสิทธิชอบทา เกิดใหม่เธอต้องลำบากเพราะนิสัยชนิดนี้แนะ่ลำบากยังไงเรกิกไม่เห็นเหลือว่าเธอเลือกเส้นทางโจรเธอเคยเห็นโจรที่ไหนสบายบ้างละ่ะก็เ อ, อ่อเอาล่ะเราลองมาคุยกันดูตอนนี้มีหนี้บาปอยู่ในมือประมาณพันเจ็ดร้อยล้านหน่วย เราไม่คิดกันดี ก, กว่าว่าทำยังไงเธอจะไม่ต้องชดใช้คืนด้วยความทุกข์ขนาดพันเจ็ดร้อยล้านหน่วยหรือมากกว่านั้นสายเข้าใจพูดดีนะโจรทั่วไปเขาจะมองว่าสิ่งของที่ขโมยมาคือจำนวนเงินซึ่งสามารถเอาไปจับจ่ายใช้สอยจะมีพวกโจรคนไหนบ้างที่มองมันเป็นหนี้บาปซึ่งต้องชดใช้คืนด้วยตราส่วนความทุกข์ในปริมาณเท่าเทียมกันนั่นแหละ ครเราถึงคอยก้มหน้ารับกรรมโดยไม่เคยยอมรับว่ามันมีเหตุที่สมควรแล้วถึงต้องมาชดใช้กันแบบนี้งั้นเราจะใช้ชีวิตที่เหลือให้ดีทําตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมแค่นั้นไม่พอหรอกนะตอนเนี้ยเธอเป็นจอมโจรพันล้านไปแล้วยังไงก็ย้อนกลับไปเป็นนายจองเรื่องมือสะอาดไม่ได้แล้วล่ะทางเดียวที่จะปรับสถานภาพให้ดีขึ้นก็คือต้องเรียนแบบโรบินฮูดที่ปล้นคนรวยไปช่วยคนจน จะให้เราบริจาคเพื่อการกุศลเหรอเราเชื่อว่าเลิกทำได้ดีกว่านั้นผู้คนจะต้องได้ประโยชน์จากตัวเธอและเงินของเธออย่างไม่มีใครประมาณถูกทำยังไงล่ะนั่นแหละคำถามที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบไงจองเลิกได้เลือกแล้วระหว่างมีเงินพันล้านไว้ใช้ตามใจชอบไปชั่วชีวิตกับมีผู้หญิงคนนี้เป็นหุ้นส่วนไปจนชั่วนิรันทร เขาเลือกอย่างหลังและเพื่อให้ตัวเองมีโอกาสเลือกและมีคุณธรรมใกล้เคียงกับหล่อนก่อนอื่นคงต้องเลือกสิ่งที่หล่อนเลือกเป็นอันดับแรก mm. เขาเชื่อว่าการเลือกเดินตามเส้นทางของน้ชะเลมันจะเป็นเส้นทางไปสู่แสงสว่างเป็นเส้นทางใหม่ที่เขายินยอมเดินตามด้วยความเต็มใจ